ในลําดับต่อนี้ไปพึงชำระจิตใจของตนเองให้ผ่องแผ้วปราศจากเครื่องสมองคือโลภะโทสะโมห oh ะหรือนิวรังห้าเพราะเริ่มต้นที่เราจะได้จเจริญจิตภาวนาในการทำจิตให้สงบเป็นสมาธิซึ่งสมาธิ เป็นคําสอนขององค์ต้นเดจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะท่องทำจิตใจของเราให้ผ่องแผ้วให้เป็นปกติก่อนเพราะพระธรรมของพระองค์นั้นประณีตละเอียดสะอาดบริสุทธิ์เมื่อเราจะเข้าสู่ธรรมของพระพุทธองค์ จึงควรชาระจิตใจของตนเองให้เกิดความบริสุทธิ์ให้เหมาะสมกับธรรมให้เสมอด้วยธรรมจิตใจของเราที่จะน้อมธรรมมาปฏิบัติก็จะเกิดการสะดวกได้ง่ายต่อการปฏิบัติ ด, ด้วยการเจริญในจิตภาวนาที่ได้ทรมกันตลอดมา พงต้องอาศัยความตั้งใจความมีสติความอดทนความเพียรและความมีความรอบคอบด้วยสติและปัญญาให้เกิดมีขึ้นในชีวิตของตนอีประการหนึ่งควรรักษาอารมณ์ของตนเองไว้ ให้อยู่กับพุทโทอย่างสม่ำเสมอจิต ท, ที่ควรแก่ภาวนาที่ตั้งอยู่ในผู้โทนั้นเป็นขั้นต่ำที่สุดในโอกาสทั่วไปถ้าหาว่าผู้ได้สมาธิตั้งอยู่ในขั้นอยู่สมาธิอยู่เสมอเสมอก็จะเป็น ทำวาระจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในวาระสูงขึ้นถ้าผู้ที่ได้เจริญปัญญาชีวิตจิตของตนเองริตรองประคองอยู่ด้วยปัญญาเสมอก็จะทําให้จิตของเราอยู่ในระดับสูงขึ้นถ้าหากว่าจิตหลุดออกจากพุโทโธ ซึ่งเรียกว่าฐานของจิตที่ควรจะการงานใ น, นระดับชั้นล่างถุกแล้วพอออกจากนี้ไปก็เป็นเรื่องของโลกแล้วนั้นเรื่องของกิจการงานเรื่องของบุคคลเรื่องของครอบครัวอื่นๆอีกนานาประการถึ่งล้วนแล้วแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นเผาใจให้เกิดความร้อนร้อนมากบ้างน้อยบ้าง ตามควรเก่บความเป็นไปถ้าผู้ใดมีสติมีปัญญาถึงจะผู้ครีกับะรรมของครวดอยู่กับอาการของครวดแต่เมื่อมีสติปัญญาก็จะบรรเทาลงเพราะฉะนั้นพึงรักษาอารมณ์ระนึกถึงพุทโธไว้อยู่เสมออย่าให้จิตของเราตกต่ำขวาพุทโธ ให้มีพุโทโธเป็นฐานที่สำคัญอย่าให้ร่วงหล่นมาจากพุโทโธถึงจะมีการงานอื่นทำก็ทำด้วยสติและมีโอกาสก็นึกถึงพุโทโธไว้ในใจของตนการทำได้อย่างนี้ย่อมมีประโยชน์หลายอย่างทั้งกิจการงานและทางวาระจิตใจที่เราจะมาประเพ็ญสมาธิภาวนา คำภาวนาพุโทโธหรือลมหายใจเขาออกห่างไกลมากเพียงใดเมื่อมาเริ่มต้นขึ้นปฏิบัตินั่นก็เหมือนกับว่ายัางไกลตัวความสงบจึงต้องรำลึกถึงอารมณ์เหล่านั้นไว้อยู่เนืองๆวันนี้จะได้แสดงธรรมะอีกอย่างหนึ่งซึ่งเรียกว่าวิเวกห้าประการเมื่อคืนที่แล้วแสดงวิเวกสามประการ วันนี้จะได้แสดงวิเวกห้าประการในวิเวกห้าประการนี้บางแห่งเรียกว่าวิมุตห้าก็มีส่วนในปฏิทามิธามรักท่านเรียกวิมุตห้านี้เป็นวิเวกห้าดังต่อไปนี้คือหนึ่งแต่ทางคะวิเวกความมีจิตสงบได้อยู่ไม่นานความจิตสงบสงัดอยู่ได้ไม่นานสองวิขมพนวิเวก ความที่จิตสงบด้วยอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิข่มจิตของตนไว้ให้อยู่ในความสงัดสบ 3. สมุเฉตวิเวกคือตัดอารมณ์นิวรณ์ห้าให้ขาดวิตกสามให้ขาดตลอดจนราคะโทสะโมหะให้ขาด ขาดในระดับใดหมดหรือไม่หมดอีกส่วนหนึ่งถ้าขาดไม่หมดคือขาดเพียงส ก, กายทิฏฐิวิจิกิจฉาทีลปารมารก็เป็นพระระยะบุคคลเบื้องต้นเป็นต้น <c oughs> ถ้าหาว่าขาดหมดคือราคะโทสะโมหะขาดหมดก็เป็นพระระยะระดับขั้นอรหันต์เรียกว่าสมุเดเชิวิเวกข้อสี่ ปฏิปัฏฐิวิเวกคือความสงบใจด้วยความสงบอารมณ์ด้วยหมายความว่าจิตที่พ้นแล้วนั่นเองจิตใจของบุคคลย่อมสงบผ่องแผ้วบริสุทธิ์และถึงจะมีอารมณ์หนึ่งอันใดมากระทบกระทั่งเพราะใจสงบแล้วจึงไม่มีความหวั่นไหวเพียงสักว่ารู้เสียงสักว่ากระทบ เสียงเพียงสากวาทราบไม่วันไหวไปตามอารมณ์นั้นเรียกว่าปฏิปัสสิวิเวกข้อห้านิสระวิเวก ค, คือสงัดสงบ้วยการออกไปในหมายความว่าอารมณ์ของราคะโทสะโมหะอวิชชาตัญหาอุปาทานทั้งหมดเหล่านั้นไม่มีอยู่ในจิตใจออกไปหมดแล้ว สิ่งเหล่านั้นเคยเป็นสันดานนอนเนื่องอยู่ในจิตใจอยู่เป็นนิสฝังอยู่ในจิตใจอยู่เป็นกลับเป็นกันทั้งอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดได้ออกไปจากจิตหมดแล้วด้วยการปฏิบัติในอริยมรรคมืมองค์แปดจิตที่อกกิเลสทั้งหลายที่ออกไปหมดแล้วจึงเรียกว่านิสรณะวิวเวกทั้งห้าประการนี้ สองข้อแรกคือแต่ทางควิเวกและปิขัมพานวิเวกยังเป็นส่วนของโลกิยธรรมเกิดขึ้นเืิมได้ส่วนสมุเฉตวิเวกปฏิปัฏธิวิเวกและนิตรณะวิเวกเป็นโลกุตรธรรมคือธรรมที่ชำระกิเลสอันเป็นส่วน น, นนิสัยให้หมดจด บริสุทธ์ถึงซึ่งแล้วซึ่งความหลุดพ้นตามควรกับภาวะนั้นๆสองประการแรกที่ยังเป็นโลกุยะคือแต่ทางคะวิเวกได้แก่ความสงบเดียวเดียวคือคณิกะสมาธินั่นเองการที่เราตั้งใจปฏิบัติธรรมในสมาธิภาวนาถ้าหาว่ายังตั้งใจอยู่ในขณะฟังก็มีสติตั้งมั่น แล้วก็ฟังธรรมนั้นและการฟังธรรมนั้นฟังด้วยความมีสติการฟังด้วยความมีสติย่อมกมําหนดรู้ย่อมกําหนดเข้าใจความที่ทำรรที่แสดงฟังในครัง้งคราวใดนั้นเราคงจําไม่หมดแต่จําเฉพาะหัวหรือข้อเรื่องที่สําคัญเช่นว่าจําเรื่องศีลรักษาให้ดี จำเรื่องจิตประคองจิตไว้ให้มั่นคงใาย่สงสายไปตามนิวรจำไว้ด้วยเรื่องปัญญาคือความที่ฉเฉลียวฉลาดรูด้ตามความจริงว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถึงแม้การบรรยายจะกว้างขวางออกไปมากเพียงใดก็ตามถ้าหากว่าจับหลักได้แค่จิตตรึกอยู่กับหลักนั้นฟังไปฟังไปก็เพราะจิตที่ รับอยู่รู้อยู่ต่ออารมณ์ที่ฟังจึงค่อยๆสงบลงและค่อยๆสงบลงนั้นเสียงที่ฟังทำก็ค่อยเบาลงและอาจจะเงียบลงจนจิตเป็นหนึ่งแต่ได้เดี๋ยวเดียว<ม>จึงเรียกว่าคณิกกวิเวกฝึกหัดทาให้บ่อยๆมาเข้ามาเข้าจิตก็จะเลื่อนชั้นเป็นวิขมพระวิเวก จากคณิกะเป็นอุปจาระเหมือนกับในสมาธิคือการกำหนดจิตของตนเองด้วยการเพ่งหรือการฟังการรู้การพิจารณาก็ตามรู้เห็นตามความเป็นจริงเพ่งจิตของตนด้วยดูลมหายใจเขาออกหรือนึกถึงพุทโธไว้เป็นหลักอารมณ์ก็ดี ทำบ่อยๆเข้ามากๆเข้าชื่อว่าจิตถูกฝึกเมื่อจิตถูกฝึกให้นึกถึงอารมณ์มีพุทโธเป็นต้นบ่อยๆเข้าจิตก็รับทราบและตระหนักอยู่กับจิตคือซึมซึมรู้อยู่กับจิตไม่เผลอมีสติเข้าประคองด้วยจิตก็ย่อมเกิดความสงบขึ้น นะความสงบขึ้นที่มีพื้นฐานที่มั่นคงดีแล้วก็จะได้มีความสงบช้าลงอยู่ได้นานๆบางทีก็มีแสงสว่างแสงสว่างที่เกิดขึ้นจากจิตสงบอ น, นั่นพึงอย่าทิ้งใจหรืออย่าทิ้งจิตเป็นอันขาดเห็นแสงสว่างสักว่าเห็นแต่ หลักที่สาคัญก็คือต้องรู้อยู่ที่จิตพอสิ่งเหล่านั้นเกิดจากจิตถ้าหากว่าปล่อยใจส่งไปในแสงหรือในสว่างต่างๆก็จะเสื่อมเร็วเดี๋ยวไม่ช้าก็หมดไปทั้งแสงก็ไม่ได้จิตก็หยุดจิตก็ละเลิกความสงบคือถอยหลังกลับไปจึงต้องประคองจิตของตนเองไว้ในเมื่อเกิดความสงบ ขึ้นแล้วกับจิตของเราคลาใดที่เกิดความสงบเพิ่งดูจิตที่สงบนั้นว่ามีความเป็นไปอย่างไรแต่ในเบื้องต้นดูอยู่เฉยเฉยถ้าชำ น, นานแล้วดูไปพิจารณาไปก็ได้บ้างพอสมควรว่าเมื่อเวลาที่เราไม่สงบนั้นทางจิตรู้สึกว่าเป็นอย่างไร และเมื่อสงบแล้วมีอาการเป็นอย่างไรเหมือนกับเรามีลูกขี้สนยังเล็กอยู่ในขณะที่เมื่อยังไม่อบรมข่มรูสั่งสอนเด็กสนอย่างไรเมื่ออบรมข่มขูสั่งสอนแล้วเขาย่อมเกรงเขาจะมีกิริยาอย่างไรรู้ความเปลี่ยนแปลงไปของเด็กฉันใดเทียบกับจิตของเราเมื่อเรา ได้ภาวนาพุโทโธยึดพระพุทธเจ้าไว้ในใจหรือกระหนดอาณาปาลมหายใจเขาออกก็ตามจนได้ที่ได้คุณได้พลังอันดีงามแล้วก็จะเกิดความสงบขึ้นทําให้จิตของเราที่เคยท่องช่อดท่องเที่ยวแฝ่งไฟไวต่อสิ่งต่างๆเห็นตาเห็นรูปก็ไปแล้วหูฟังเสียงก็ไปอีกอย่างหนึ่งแล้วเหล่านี้เป็นต้นแต่เมื่อจิตสงบแล้ว เมื่อเวลาตาเห็นรูปหรือนึกถึงรูปหรือเห็นรูปอย่างใดอย่างหนึ่งสมมติ ว, มว่าเราขณะภาวนาจะอยู่แต่ลืมตาแต่จิตของเราสงบแม้รูปจะผ่านสายตาก็เพียงสักว่ารูปไม่ได้ไปพิจารณาว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรเพียงจัดว่าเห็นเพียงแต่รูปตอนนั้นเองเพราะตัวหลักของที่จะรู้จะเห็นนั้นคือใจหรือจิตนั้นอยู่ในความสงบเสียแล้ว ลักษณะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเวลา <c oughs> จิตสงบดีแล้วพึงประคองจิตไว้ได้นานๆจะเป็นสนมาธิแบบไหนก็ตามจะเป็นขณิกะสมาธิอุปจารสมาธิเราไม่ต้องไปคำนึงก็ได้ถ้าความสงบเกิดขึ้นกับจิตในคราวใดพึงกาหนดจิตของตนวันนั้นให้อยู่นานๆเท่านานได้ที่จะดีที่สุดเพราะจิต เพราะความสงบของสมาธิที่อยู่กับจิตนานา น, นั้นเป็นการชำระจิตโดยปริยายโดยอัตโนมัติคือชำรสะสงังกิเล ท, ที่นอนเรื่องอยู่ในสันดานให้เบาบางและหมดไปในที่จุดเหมือนกับว่าในบ้านของเรามียุงชุม ไม่มีมุ่งลวดแล้วได้ซื้อยากันยุงมาจุดไว้ฟันที่ยากันยุงนั้นเขค่อยแผ่ขยายออกไปฟันอยู่ในบ้านของเรานานเพียงใดยุงก็ต้องรีบหนีออกไปฉันใดจิตนี้อยู่กับสมาธินานา น, นิวรณ์ทั้งห้ารีบหนีวิตกทั้งสามก็รีบหนีไป เรือไว้แต่ความสงบของแพรวเหมือนกันฉะนั้นเพราะฉะนั้นไม่ว่าคณิกะหรืออุปจาระไม่ต้องไปนึงนึกถือว่าเป็นอะไรจะจิตเกิดความสงบขึ้นในขณะใดพยายามประคองจิตไว้ให้มั่นคงอย่าไปนึกคิดเรื่องอื่นแลดูแต่จิตของตนที่สงบนันไว้ให้สม่ำเสมอ ประคองด้วยความให้สงบได้มากเพียงใดจะทำให้สติสมาธิและปัญญาของเราประณีตึื้นตามด้วยอันจะเป็นผลต่อไปในการที่จเจริญในจิตที่จเจริญยิ่งไปกว่านั้นรวมความว่าจะทางคะวิเวกวิขมพนวิเวก ค, คือจิตที่เป็น อุปจาระสมาธิหรืออัปปนาสมาธิเหนือฝ่าคณิกะสมาธิถ้าประคองไว้ได้ก็ไม่ต้องถามว่าจิตเป็นอะไรก็เป็นอุปจาระอย่างน้อยไม่ใช่คณิกะสมาธิอย่างนี้เป็นตน้นจิตที่เกิดวิเวกคือหมายความว่าไม่รับรู้สิ่งอย่างอื่นรับรู้ แต่สิ่งที่เราภาวนาจะเป็นลมหายใจข้าหรือพุโทโธก็ตามอย่างเดียวและก็เสน็จสนมกับสิ่งอย่างเดียวนั้นไม่รับสิ่งอย่างอื่นไว้เป็นอารมณ์อย่างเดียวทำให้จิตใจของเราผ่องแผ้วและสะอาดขึ้นตามลำดับส่วนอัปปนาสมาธิหรืออัปปนาวิเวก ที่เกิดขึ้นกับจิตอันเป็นสมาธิที่สูงสุดนั้นบางทีอยู่นานก็มีไม่นานก็มีแต่จิตเมื่อลงถึงที่สุดแล้วจะเกิดความรู้สึกลึกซึ้งกว่าสมาธิอย่างอื่นถ้าพูดถึงเรื่องสมาธินั้นไม่ใช่มีแต่เพียงสามลักษณะในอย่างนี้มีมากมาย เรื่องสมาธิเรื่องสมาบาัตรเรื่องฌานหลายรูปหลายแบบหลายอย่างแต่หลักสำคัญสำคัญสมาธิในทางพระพุทธศาสนาก็ได้แสดงไว้ชัดเจนเพื่อให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องและไม่รวนเลหรือไม่เกิดความสงสยัยอื่นๆอีกนาน า, นาประการ เป็นแต่เพียงสามอย่างนี้ก็สามารถที่จะเจริญปัญญาต่อไปได้สมาธิในทางพระพุทธศาสนาหรือวิเวกบำเพ็ญให้เกิดมีพื้นก็เพื่อชำระจิตใจของแผ่วดังกล่าวมาและจะได้เป็นพทัท ฐ, ฐานเป็นที่ตั้งของปัญญาคือปัญญานั้นจะต้องอาศัยสมาธิเป็นตัวหลักไม่ให้รวนเล ถ้าหากว่าปัญญาไม่มีสมาธิถึงแม้จะฉลาดพิจารณาไปลืมได้ง่ายเผลอได้ง่ายย้ายเปลี่ยนแปลงหรือมีอื่นแทรกได้ง่ายแต่ถ้าหากว่าปัญญาที่เกิดภายในสายสมาธิมีสมาธิตั้งมั่นแล้วจะเป็นปัญญาที่มั่นคงเป็นปัญญาที่ไม่ไฟวเฝยไปอย่างอื่นให้ตรงต่อวิถีทางเช่นกำลังพิจารณาในอริยมรรค สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะก็จะได้ครบทั้งแปดข้อนั้นอย่างเรียบราบ่าเรียบและสม่ำเสมอจนเห็นตามความเจริงว่าในอริยมรรคแปดข้อนั้นก็คือศีลสมาธิปัญญาในข้อสัมมาวาจาสัมมากรรมัจจะสัมมาชิบมาชีวะเป็ น, นศีลสิกขาสัมมาวายามสาสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นจิตติขา สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นปัญญาทิคขาทิขาทั้งสามเกิดขึ้นเลย อ, อริยมรรคเกิดขึ้นย่อมกำจัดกิเลสทั้งสามกองคืออย่างหยาบอย่างกลางและอย่างละเอียดอย่างหยาบกำจัดด้วยศีลคือสัมมาวาจาเป็นต้นอย่างกลางกุ้มพรมจิตใจคือนิวรณ์กำจัดด้วยสมาสัมมาสมาธิและกิเลสที่เป็นอนุสัยนอนเนื่องกำจัดด้วยสัมมา <c oughs> ทิฏฐิคือความเห็นชอบถ้าได้อาศัยพื้นฐานของสมาธิดีแล้วปัญญาก็ไม่ไฝ่เฟะไปทางอื่นย่อมพิจารณาได้เห็นตามตรงตามความจริงสมเด็จพระสัมมาสัมพุเทธเจ้าที่ได้จตดรู้อริยสัจสีและเห็นตามความจริงของปฏิจจสมุปบาท ว่าสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมานั้นประกอบด้วยอวิชชาเป็นตัวหลักหรืเป็นหัวหน้าเป็นหัวหน้าของกิเลสทั้งหลายกิเลสอันใดยังไม่มีก็เพราะความเขามีขึ้นจึงมีกิเลสอย่างอื่นท่านเห็นกล่าวว่าอาวิชชาปฏิยาสังขาราเมื่อมีความเขาจึงเกิดความจึงเกิดสั้งขารทั้งขานในที่นี้หมายความว่าความคิด คนที่ไม่รู้คิดอะไรก็คิดเรื่องเรื่อยไปตามความรู้สึกของตนจึงอยู่ในสายของกิเลสสังขาราปัจยาวิญญาณังเมื่อคิดติ่งใดก็รู้ตามนั้นเพราะวิญญาณเกิดขึ้นในสายของกิเลสวิญญาณก็เป็นกิเลสด้วยวิญญาณปัิยานามรูปัง รูปเกิดขึ้นด้วยอาศัยวิญญาณปริสนทธิรูปปฏิยาสลายตนังเมื่อรูปเกิดขึ้นโตขึ้นก็ประกอบด้วยตาหูจมูกลิ้นกายและใจสราปฏิยาผัดโซ่คือ <c oughs> เมื่อมีตามีหูมีจรูก ก็มีผัสสะคือได้รู้ได้เห็นเมื่อมีผัสสะก็ย่อมมีเวทนาความสุขความทุกข์เมื่อมีเวทนาความสุขความทุกข์เลือกเอาชอบเอาอย่างไหนชอบเอาอย่างมีความสุขที่พึงพอใจว่าเป็นกาโม ป, ปาทานเหล่านี้เป็นต้นอุปทานปัจจยาภาว เพราะมีความอุปมีอุปาทานจึงมีภพมีชาติมีการเกิดมีการเกิดขึ้นในภพนั้นๆตามอํานาจของบุญและบาปภาวะปัจจยาชาติความชาติก็ว่าเกิดขึ้นคือหมายว่ามีภพตอนที่อยู่ในคันมานดามีมีเป็นภพของเราและตอนเกิดจากคันมานดาเป็นชาติ เกิดของเราเมื่อมีความชาติเกิดขึ้นแล้วก็มีชรามรนังโซกะปริเทวะทุกขโทมนันอุปายาตเกิดก็แล้วก็มีการแก่การเจ็บการตายการเศร้าโศกการปริเทวนาการทุกกายทุกใจสารพัดของทุกทั้งปวงเกิดมาตามบรดับบรรดาบบรรดาบกันดังได้กล่าวมาแล้วทั้ง11ประการทีเรียกว่าปฏิยาการส1บอพรหมเดจพระผู้มีพระภาคเจ้า เมื่อได้ตัสรู้อนุตารสัมมาสัมภูธิยานวิอริยาสัตสตัดความทิ้นไปของสิ่งเหล่านี้แล้วจึงพิจารณาเห็นว่าความตายเกิดมาจากความแก่ความแก่ความตายเกิดมาจากความเจ็บความเจ็บมาจากความแก่ความแก่มาจากความเกิดความเกิดมาจากความเกิดมาจากตัณหาตัณหามาจากพพ ต่อๆ ก, กันเรื่อยมาเพราะฉะนั้นเมื่อมาถึงตัณหารู้ได้ทันทีว่าเป็นตัวเหตุให้เกิดเพราะเป็นปัจจัยให้เกิดทุกข์จึงชาติบุคคลาความเกิดเกิดขึ้นก็เพราะตัณหาตัณหาก็เพราะเวชนาเวชนาก็เพราะผัสสะพระองค์จึงได้ทรงพิจารณาเห็นตามความจริงรู้แจ้งเห็นจริงเหล่านั้นเหมือนกับว่าได้พบ สายหัวหน้าของผู้ร้ายจึงหาวิธีการประหัตประหารเสียและการประหัตประหารที่จะโค่นล้มหัวหน้าคืออวิชชาพระองค์ทรงโค่นล้มบริวารก่อนทําให้รู้แจ้งเห็นจริงด้วยการตายมาจากเจ็บมาจากแก่มาจากเกิด มาจากภพม า, ากามาจากชาติไมมาจากชาติมาจากภพมาจากตัณหามาจากเวทนามาจากผัสสะปราบบริวารแต่ละอย่างละอย่างละอย่างจนถึงสังขารคือความคิดรู้ว่ามาจากอาวิชชาจึงเจริญปัญญาควารมรู้ยิ่งเห็นจริงคืออริยมรรคให้รู้แจ้งเห็นจริงควารมรู้แจ้งเห็นจริงอวิชชาดับไป มักเป็นวิชาเมื่อมักเกิดขึ้นอวิชาก็ดับไปเพราะฉะนั้นตราบใดมักอริยมักยังไม่เกิดขึ้นอวิชายังอยู่อย่างนั้นเพราะเหตุนี้เองพระผูม้มีพระภาคเจ้าจึงทรงสแสดงว่าศาสนาใดมีอริยมักก็มีองค์แปดศาสนานั้นมีอริยะบุคคลที่หนึ่งสองสามสี่ ถ้าศาสนาใดไม่มีคำสอนลนอริยมรรคจะไม่มีอริยะบุคคลคือโสดาบันจกทาคามีอน า, าคามีและอรหันต์เพราะมีอวิชชาเป็นหัวหน้าใหญ่ไม่ถูกทำลายไม่หมดไปก็ย่อมมีการเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้นี่หมายถึงว่าปัญญาที่เกิดขึ้นอาศัยสมาธิเป็นสิ่งที่สำคัญ เป็นบอ่อเกิดที่จะให้เข้าสู่โลกุณระธรรมนี่ได้แสดงมาแล้วก็คือแต่ทางคะวิเวกวิขมพนาวิเวกสมุดเฉดวิเวกขอดีสามก็การตัดราคะโทสะโมหะให้ขาดลงไปด้วยในอริยมรรคนั่นดังกล่าวมาแล้วราคะโทสะโมหะพระผู้มีพระภาคเจ้า จะทรงสอนส่วนใหญ่กับพิสุถ้าหากว่าสอนสำหรับคารวาสจะเปลี่ยนคำว่าราคะออกเป็นอภิชาวิสมะโลภะความโลภอยากได้ความโกรธและความหลงเหมือนกันแต่คำว่าอวิศวิสมาโลภะมีความหมายฟว้างรวมทั้งถึงราคะอยู่ด้วยตัวราคาที่สอนพิษุนั่นคือหมายว่ามาพิษุเป็นเพศบรรปชิต และอารมณ์ต่างๆอื่นๆอยู่แล้วเหลือค้างอยู่ต่พวกของราคะจึงได้ตรงต่ อ, อเรื่องราคะเป็นต้นเพราะฉะนั้นบุคคลใดที่ทาลายราคะโทสะโมหะให้หมดสิ้นไปได้ก็ชื่อว่าเป็นพระหานถ้าหากว่าทำลายแล้วยายังไม่หมดก็แล้วแต่ว่ากำลังของกิเลสอะไรเหลืออยู่ เพราะราคะโทสะโมหะนั้นอยู่ในอนุสัยสัญโยตถ้าทำลายได้เพียงส ก, กายจิติวิจิกิจฉาศีละปาปรมาตอันเป็นส่วนโมหะทั้งนั้นก็ได้บรรลุเพียงพระโสดาบันหล่านี้เป็นต้นมีพราหมู้หนึ่งถามพระสารีบุตรว่า บุคคลเช่นใดชื่อว่าเป็นธรรมวาทีบุคคลเช่นใดชื่อว่าเป็นสุปฏิปันโนบุคคลเช่นใดชื่อว่าสุขโตภาษารีบุตรได้ตอบปะาาพามนั้นว่าผู้ใดสอนให้ผู้อื่นระราคะโทสะโมหะตามคำสอนของพระพุทธเจ้า คำสอนของผู้นั้นชื่อว่าธรรมวาทีผู้ใดบรรพชิตก็ตามกรหัตก็ตามกำลังปฏิบัติธรรมด้วยศีลสมาธิปัญญาชัระราคะโทสะโบหะถึงย่ำไม่ขาดให้เบาบางลงเรียกว่าสุ ป, ปฏิปันโนคือปฏิบัติดีผู้ใดได้ปฏิบัติจน ราคะเป็นสมุทเฉดขาดไปแล้วโทสะเป็นสมุทเฉดขาดไปแล้วโมหะเป็นสมุทเฉดไปแล้วเรียกว่าสุขโตผู้ไปดีแล้วรเรียกว่าขีณาสโวผู้เป็นพระขีณาสพดังนี้ารวมความว่าธรรมละวินัยของพระพุทธเจ้า รวมลงอยู่ในหมวดใหญ่ก็คืออริยมรรคเมืองแปดเป็นธรรมที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นธรรมหมวดนี้จึงมีชื่อหลายอย่างเรียกว่าอริยมรรคแปลว่าทางหนทางอันประเสริฐคราวหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าในฟังพิสุทั้งหลายที่ไปทุ่ดงกลับมาแล้วก็กล่าวสนทนากันถึงเรื่องหนทางทีไปมา สะดวกบ้างไม่สะดวกบ้างลงน้ำข้ามห้วยขึ้นเขาลังต่างนาน า, นาประการและบางท่านก็ไปในทางที่เราเกิดความราบรื่นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรับรับฟังของพิจตุลาลายเหล่านั้นแล้วทรงแสดงว่าทางเครื่องปวงที่ประเสริฐอย่างยิ่งไม่มีทางอะไรเหมือนไม่มีทางอะไรที่ประเสริฐ ไม่มีทางอะไรที่ร่ำเรื่อยเท่ากับผลทางคืออริยมรรคเพราะคำว่ามรรคนี้ทางแปลว่าทางอริยะหมายความว่าทางที่ไกลไปจากกิเลสทางที่ไกลไปจากราคาโทสะโมหะขับราคาโทสะโมหะและสัญญุ ต, ต่างๆหรืออวิชชาทั้งหลายทึ่เป็นหัวหน้าของราคาโทสะโมหะหมดสิ้นไปแล้ว ทางนี้จึงเรียกว่าทางอันประเสริฐในบางแห่งเรียกว่าอัตถังขี่กรรมะคือหมายว่าผนทางมีองแปดองแปดประการในทาง8ประการมีสัมมาทิฐิเป็นข้อต้นและสัมมาสมาธิเป็นข้อสุดสมัมมาธมาทิวางไว้เป็นข้อแรกก็เพราะว่าการทําความเห็นให้ถูกทําความเห็นให้ตรงทําความเห็นให้ชอบ เป็นสิ่งสาคัญที่จะให้เกิดตัดทาประสาทะและกําลังใจในการที่จะทําลายกิเลสาสะวะและสิ่งต่างๆให้หมดจดลงไปเถีดได้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราตอนละเลิกทุก ก, กรริยาแล้วระลึกถึงจิตที่สงบด้วยอนาปานสติจึงดำเนินจิตให้เกิดความสงบขึ้นใหม่เมื่อจิตเงเหงขึ้นใหม่พระทัยของพระองค์ดีมาก มองเห็นทันทีว่าอันนี้ทางอันนี้ถูกต้องแล้วด้วยปัญญาอันชอบเหล่านี้เป็นต้นจงได้บรรลุมรรคผลเป็นอาราหารันต์ตามาธัมพุทธเจ้าตามที่ท่านได้สอนไว้ถึงพวกเราในขณะนี้เพราะฉะนั้นสมุเฉตประหารหรือพระมุเฉตวิเวกตัดราคะโทสะโมหะหรือตัดอวิชชาความเขาให้หมดสิ้นไป ที่เรียกว่าปฏิปัฏฐิวิเวก ค, คือหมายความว่าจิตถึงถึงความสงบพ้นจากราคะโทสะโมหะแล้วและอารมณ์ถึงจะมีเห็นรูปวิตาเป็นต้นอารมณ์ที่จะเกิดราคะโทสะโมหะไม่มีจึงเรียกว่าปฏิปัฏฐิวิเวกอันเป็นข้อสี่และไในข้อที่ห้านิทระวิเวกหมายความว่ากิเลสทั้งหลายทั้งปวง อย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดที่นอนเนื้ออยู่ในสันดานหาประมาณไม่ได้เป็นกลับเป็นกันหมดสิ้นลงไปแล้วออกไปหมดแล้วจิตของเราสะอาดหมดแล้วไม่มีเชื้อสายแห่งความเกิดไม่มีเชื้อสายแห่งความแก่ไม่มีเชื้อสายแห่งความตายไม่มีเชื้อสายของกิเลสไม่มีพบหน้าไม่มีชาติหน้าไม่มีเมืองหน้าไม่มีข้างหน้าที่จะไปอยู่ในเมืองนั้นพบนั้นไม่มี หมดแล้วสิ่งเหล่านั้นออกไปหมดแล้วเชื้อสายออกไปหมดแล้วและไม่สามารถจะกลับเข้ามาได้อีกแล้วจึงเรียกว่านิจระนาวิเวก <c oughs> เพราะฉะนั้นทำห้าประการถ้าจะฝึกฝนขึ้นก็ไม่ยากอะไรเพราะเพราะว่าเริ่มต่ อ, เ ร, ตอเริ่มต้นต่อแต่ทางขาวิเวกคือทาจิตให้เป็นสมาธิเบื้องต้นและวิขมพนะวิเวกทำให้ชันนานต่อไปในภายภาคหน้า ดนแคลวคล่องมีวสีชำนาในการนึกมาในการเข้าออสมาธิชำนาในการพิจารณาองค์สมาธิชำนาในการทรงอยู่ในสมาธิและชำนาในการออกสมาธิได้เรียบร้อยแล้วจเจริญกิตให้เกิดปัญญาโดยพิจารณากายใจของเรานี้แยกออกเป็น5้าอย่างคือรูปเวทนาสัญญาทั้งขันวิญญาณแล้วก็พิจารณาเห็นแต่และอย่างแต่ลอย่างเป็นใจลักษ์คืออนิจจทุกขังอนัตตา ามอฟามในกาวมนนี้จะย้ายไปอย่างไรก็ตามต้องพิจารณามากๆพิจารณาบ่อยๆการที่เราใช้ปัญญาพิจารณามากๆบ่อยๆในรูปในเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ดีอาการที่พิจารณาในสิ่งนั้นถูกขัดเกลวให้ป ร, ระณีตละเอียดขึ้นให้สะอาดขึ้นจนหมดจดจนเกิดปรากฏเห็นตามความาเป็นจริง ในสิ่งนั้นนั้นความเห็นตามความเป็จริงนั้นไม่ใช่เห็นรูปอย่างนี้การเห็นรูปเป็นตัวเป็นตนเป็นบุคคลคนนั้นคนนี้ชื่อนั้นชื่อนี้ล้วนแล้วแต่เห็นสมมุติทั้งนั้นแต่ไม่มีสมมุติก็ไม่ได้ไม่รู้ว่าจะเรียกอะไรที่เห็นเป็นของแท้จริงคือเรียกว่าวิปัสสนาของจริงนั้นคือเห็นตามความเป็จริงว่าสิ่งทั้งปวงคือรูปเป็นตัวนั้น ประกอบด้วยสิ่งหลายหลายอย่างมาประกอบกันคือธาตุทั้งสีดินน้ำไฟลมแต่ละอย่างได้อย่างจะไปหาจะไปหาธาตุดินตรงไหนว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นตนไม่มีเป็นแต่ธาตุและสิ่งที่เป็นธาตุเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปสลายไปชีวิตยังมีอยู่เป็นตัวเป็นตนไปรูปร่างเราเขาเป็นชายเป็นหญิง พันสิ้นชีกไปแล้วกองไว้เป็นกองไม่ช้าเนื้อหนังมังสาก็ขาดหายหมดไปเหลือกองกระดูกและกองกระดูกที่ปล่อยทิ้งไว้นานๆไปก็ผุพังแตกหักเป็นท่อนสองท่อนสามท่อนกองกระดูกทั้งหลายเหล่านั้นหากไปมาก่ําเข้าก็เป็นผงละอองธุรีเป็นฝุน่นลมพัดมาก็ปลิวไปตามลมบ้างฝนตกมาก็ซึมไปลงแผ่นดินบ้างจนหาไม่เจออีกแล้ว ไม่มีแล้วว่าตัวตวบนบุคคลเราเขาเป็นของที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และสลายไปอย่างนี้เหมือนกันหมดไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดไม่มีสัตว์ใดที่จะพิเศษกว่านี้แม้เทวดาอินพรมถึงไม่ได้ตายอย่างมนุษย์แต่ก็ต้องไปจุติบางทีก็กลับขาดทุนจากเดิมคือจากเทวดามาเป็นมนุษย์หรืออาจจะเป็นต่ำกว่านั้น ตามอำนายของกรรมผลทั้งหลายตราบใดยังมีอุปธิยังต้องมีความเกิดเมื่อมีความเกิดก็ยังมีความแก่าความเจ็บความตายดังได้กล่าวมาแล้วเพราะฉะนั้นวิเวกทั้งห้าหรือวิมุตตทั้งห้าประการนี้เป็นเครื่องตัดผิดให้เห็นว่าสองข้อแรกเป็นโลกิยะอย่างการมีเวียนว่ายตายเกิดอีกสามข้อหลังเป็นโลกุตระ แล้วแต่ว่าขึ้นอยู่รบภูมิชั้นไหนของพระโถดารบันตะกะทาคามีอนาคามีและอรหรันอย่างไรก็ดีถึงแมนะ้เพียงสองอย่างขันนถึงแม้เป็นโลกิยะก็ยังจิตใจความบุคคลให้อิบอิ่มแช่มชื่นเบิกบานและมีความกินดีว่าเราถึงส่วนหนึ่งในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเป็นเหตุพัฒนาปรับปรุงจิตใจของเราเกิดให้ผ่องแผ้วและมีสติปัญญาอีกแบบหนึ่ง ซึ่งไม่เหมือนก่อนไม่เหมือนก่อนนี้เลยเพราะก่อนนี้เรียกว่าสนุกสิไหนก็ไปนั่นเที่ยวไหนก็ไปนั่นแต่เมื่อจิตเกิดฟา้า่องแพวแล้วย่อมเห็นโทษแห่งการท่องเที่ยวเหล่านั้นทำให้ชีวิตสิ้นเปลืองไปโดยปล่าประโยชน์เหมือนอุปจิตตะและโกนิตตะแยกตัวเองออกมาจากชาวบ้านที่ไปเที่ยวนานา น, นักตัดและเลิกของเมืองราชเกิดดังในกล่าวมาบ่อย มีอาการเป็นอย่างนี้ถึงอย่างไรถึงแม้ว่าชาตินี้เราจะมีมีสติปัญญาและมีเวลาพอจะถึงมะผลไม่ก็ไม่เป็นไรรักษาศีลจเจริญธรรมและบำเพ็ญทางจิตไว้ให้เนืองๆให้สมานเสมอภาวะของเราจะไปตกไปที่ต่าเดินตามไปโ อ, อกไปอีกแม้ชาตินี้ไม่พ้นก็เติมเเดิ น, ดนออกไปชาติหน้าเราก็จะใกล้ความจริงความจริงขึ้น และจิตที่ถูกพัฒนาแล้วก็จะเป็นเหตุให้มีศรัทธามากขึ้น ต, ต่อต่อไปในชาติต่อต่อไปจนท้นที่ถุดพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงบำเพ็ญบารมีก็เช่นเดียวกันพระอรหันต์สาวกก็เช่นเดียวกันไล่มาจากเบื้องต้นจนถึงที่ถุดเพราะฉะนั้นอย่าประมาทในธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัรรมพุทธเจ้าในทานศีลภาวนาก็ดีหรือในศีลสมาธิปัญญาก็ดี ที่ได้ศึกษาเราเรียนล้วอบรมไว้แล้วพึงนำมาปฏิบัติชำระกายวาจาใจของเราไว้อยู่เสมอเสมอและด้วยความเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นคุณงามความดีหรือเป็นบุญอันจะอำนวยถูก ป, ประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับเราถ้าเราไม่มีคุณอย่างนั้นนอกจากไม่ได้บรรลุมรรคผลแล้วอาจจะตกต่ำไปในที่ชั่ว ได้แก่อบายภูมิเพราะไปยินดีในทางที่ไม่ชอบอบายภูมิมีเปรตอสุรกายนรกในราชานแต่รับพภรอชาติลาบากแสนจะลําบากและทรมานแสนจะทรมานยิ่งได้เวลารับโทษทันจากบาปกันที่ทันไว้แล้วก็ยิ่งหนักมากขึ้นทรมานเราจนตายตายแล้วก็เกิดไปอีกเกิดแล้วก็ถูกทรมานอีก เป็นไปอยู่อย่างนี้นรกเปรตอสุรกายทรมานเหลือเกินพึงเดินทางหลีกทางนั้นเสียอย่าไปทางเดินของพวกเหล่านั้นพอการเดินทางของพวกเหล่านั้นไปเพื่อความทุกข์ทั้งสิน้นพึงเดินตามรอยพระอริยในฐานสีนภาวนาอบรมจิตใจของตนและคุณงามความดีให้เกิดมีขึ้นทำจิตใจของตนให้ผองแปลวอะไรดั้งอะไรที่ควรละก็ต้องละ อะไรควรวางเขาต้องวางอะไรควรปล่อยเขาต้องหมดปล่อยอย่าไปยึดมั่นถือมั่นไว้เพราะไม่มีประโยชน์อะไรกับชีวิตของเราเลยเพราะฉะนั้นคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ประกอบไปด้วยเมตตาธรรมกรุณาธรรมบาลําเลิศปราถนาจะให้สาธุชนหรือพุทธบริษัทพ้นจากความทุกข์ยากด้วยประการทั้งปวงด้วยความปราถนาดีของพระผู้มีพระภาคเจ้ามีถึงเพียงนี้ เราทั้งหลายพวรที่จะเคารพ บ, บูชาท่านด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อนตามแนวทางของท่านต่อมาเพราะฉะนั้นต่อ น, นี้ไปจงตั้งใ จ, จเจริญจิตภาวนาทำจิตใจของตนให้ผองแผ้วเพื่อให้เกิดฟ้าพงพบตามคำสอนของพระศาสดาต่อไป